คนเราเป็นนกเป็นปลาก็ต้องจ้องเป็นนกเป็นปลาที่ฉลาดอย่าไปติดบิดติดแล้วของนายพรานที่โปล่อยรอดไว้เขาเอาเครื่องรอมาให้เราไปเรื่มใช้ศาสนาอื่นอาจจะแท่เวลาเขาหาอุบายเอาของเราเขาเอามากกว่านั้นอีพ่ออีแม่เอยถูกไหมเป็นนกเป็นปลาเป็นนกเป็นปลาที่ฉลาดเขาเอาเหยือ่อเสียบไว้แ้วแล้วก็ไปคาบกินที่นี่ก็ไปคาบกินแล้ว เบสก็เกาะปากของเราหนื้ตาข่ายเอก็ครอบเราแล้วเขาเอาไปต้มยำกนนนนินนั่นนั่นสิ่งนี้เป็นนะที่เราจะพิจารณาทั้งนั้นพระพุทธศาสนาสอนให้เห็นเองสอนให้มีอิสระเองพระพุทธเจ้าใจพระพุทธเจ้าจิตนี่เองที่สร้างขึ้นไม่ใช่พระพุทธเจ้าภายนอกเพระาะว่าเรามาศาสนาก็สอนว่า ห่วงนอนก็นอนเองกระหายน้ําก็ดื่มเองเหนีว อ, อาหารก็ทานเองเราสถาคดเป็นเพียงเชื่ยบอกเท่านั้นเราลงอาจัดนะถ้าพระธรรมไม่มีอยู่ก่อนเราก็ไม่สามารถรู้ทําได้เหตุนั้นเราจึงเคารพธรรมสัจธรรมโอคาลกาตบูควรเคารพพระสัจธรรมเอสัจธรรมโอชนันโธพระธรรมเป็นของเก่า ชิ้นห้าชิ้นแปดชินสองรอยยสิบ็ดก็เป็นของเก่าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายเคยปฏิภาปฏิบัติมาไม่ได้ลบล้างพรบกันเลยเป็นอันเดียวกันพระพุทธเจ้ามากี่นั้นลานพระองค์ก็มาสั่งสอนอันเดียวกันทีนี้ข้องมาพูดเรื่องพระสวสดาบรรษะพระสวสดาบันไม่เสียดายอยากจะซื้อศาสดาอื่นไม่เสียดายอยากจะร่วงอบายยมุก ไม่เสียดายอยากร่วงสินห้าไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดไม่เสียดายอยากจะคบมิตรชั่วไม่คบก็มาให้กระทบกระเทือนเขาไม่เขารู้ไม่เสียดายอยากจะค้าขายเครื่อป่าหานค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเรื่องสัตที่ตัวค้าเพื่อเป็นอาหารค้าขายนำ้ำเมาค้าขายยาพิษการค้าขายหายอย่างนี้ พระโสดาวันไม่เสียดายร้องระเมิดเลยไม่ว่าแต่เท่านี้อย่างพิษตะกาที่ปฏิบัติทั้งเล่มนับแต่กัตุกะตมมะกิเลศจนถึงเกียร์ขั้นทํางานมีโทษหกนั่นเองเป็นภูมิของพระโสดาวันไม่เสียดายอยากไปแกะต้นตะเคียนหาเลขหาผาหาบัตรหาเบอร์มันไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิอันนะั้นอยาหากินในคําฝันมันทํางานในทางที่ชอบ คำสอนพุทธศาสนะยังมีสูงไปกว่านี้อกโขอีกอันนี้เบื้องต้นมันถูกเบื้องต้นเสียก่อนธรรมดาต้นไม้มันก็รากมันดีเสียก่อนต้นเงาของมันดีกลางมันจึงริีจึงจะดียอดมันจึงจะดีศีลเบื้องต้นสมาธิเบื้องต้ น, ตนปัญญาเบื้องต้นศีลเบื้องกลางสมาธิเบื้องกลางปัญญาเบื้องกลางคือพระอนาคามีและสัคขาามีศีลเบื้องท้ายสมาธิ เบื้องท้ายปัญญาเบื้องท้ายคือพระหัสงินเบื้องต้นสมาธิเบื้องต้นปัญญาเบื้องต้นคือพระโชติธรรมดังที่กล่าวมาแล้วนี้เราไม่เสียดายอย่างร่วงระเบิดสินหะมันก็เป็นชีลานุสติอยู่ในตัวและลึกถึงสินที่ตนรักษามันก็เป็นสมาธิตั้งมั่นอยู่ในใจนั่นแล้ว้เราไม่เสียดายอยากจะถือศาสนาอื่นมันก็เป็นพุท ธ, ธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติอยู่ในตัวแล้วนั่นนั่นนั่น เราไม่เสียดายอยู่ยงถืออยู่ยงคงกระพันอันใดอันหนึ่งมันก็เป็นสัมมาอาชีวะแล้วเรี่ยงชีวิตชอบมีความเห็นชอบแล้วไม่หลอกลวงเขาเลี่ยงชีวิตมีทั้งเสียนมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญากลมตื่นกันอยู่แล้วเทียบเป็นบุคลาทิษฐานเฉยๆนนั้นทีนี้เวลาเราภาวนาพุทโทธทีนี้ กำหนดลมให้ใจเข้าออกจิตสมาธิปัญญาของเราก็มารวมอยู่ที่ลมให้ใจเข้าออกนี่มารวมอยู่ที่สติที่นี่พระพูดพระธรรมพระสงฆ์ก็มารวมอยู่ที่นั่นนี่พราะสติรวมอยู่ที่นั่นทําเป็นมีอุปการะสองอย่างสติความระลึกได้ในกรรมฐานสมาธิความตั้งมั่นในกรรมฐานะในเวลาเราตั้งกรรมฐานอยู่นะี่จิตสมาธิปัญญามารวมอยู่ที่นั่นแล้ว สินธาสินแปก็มารวมอยู่ที่นั่นเลยถ้าไม่เสียดายอยากร่วงละเมิดสินธาไม่เสียดายอยากกะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากแก้ร่วงอบายามุกมันก็ไม่นักใจเพราะไม่เสียดายถ้าเสียดายร่วงมันก็หนักใจทําไมเราจึงไม่เสียดายเพราะเราเห็นว่ามันเป็นทางเสื่อมไม่ใช่ทางเจริญเหมือนเราไม่เสียดายอยากลงลุยหลุมฐานเพลิงมันก็ไม่ลํำบากใจ เหมือนเราไม่เสียดาอยากเอาน้ำลายทิ้บเื่อนทิ้งแล้วมากลืนกินอีกมันก็ไม่น่ากันเพราะเห็นว่ามันไม่มีประโยชน์เราเห็นชัดด้วยปัญญาของเราจึงเรียกว่าดวงตาเห็นธรรมเห็นทั้งอนิจจังด้วยจึงได้ไม่เที่ยงจึงนั้นก็เป็นทุกข์เรต้องการเห็นลมออกเข้าเห็นไหมธรรมนินทร์หลวงปู่เห็นอยู่เรียบร้อยไม่จำเป็นต้องต่งางเห็นไงคือสติสติอยู่กับตัว สติอยู่กับลมให้ใจเขาออกเดินไปก็พุทโธพุทขาขวาก็โธขาซ้ายในเวลาเราปฏิบัติเราขึ้นรถขึ้นเรือก็ภาวนาพุทโธยิงไม่เป็นอันตรายนี่ด้านภาวนาเวลาเราภาวนาศีก็มารวมอยู่นี่สมาธิาาก็มารวมอยู่นี่บุญทั้ ง, ทงหลายก็มารวมอยู่นี่สติญญาทั้งหลายก็มารวมอยู่นี่ปัญญาทั้งหลายก็มารวมอยู่นี่ปัญญาในชั้นของเราปัญญาในชั้นพระสวามดิ์สินสมาธิปัญญาในชั้นพระสวัสดิ์ สิ ne, Você, SA, ้นสมาธิปัญญาในชั้นสักทาคามสิ taking, ้นสมาธิป ah ัญญาในชั un, ane, aren, ani, ้นพระอนาคามิสิ้นสมาธิปัญญาในชั้นพระนารหันจะเอามาตีเสมอกันไม่ได้ปัจจุบันพระโสดาบันปัจจุบันสักขาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระนารหันจะเอามาตีเสมอกันไม่ได้เพราะมีน้ำหนักต่างกันพระโสดาบันเป็นโลกุตระไม่ใช่โลกีต่ำกว่านั้นลงมาเป็นโลกีไม่แน่นอน เป็นภายเรือในเองบางทีนลลึกถึงบาปตายคานั้นก็ไปเกิดเป็นสัตว์ิริษฐานหรือเปตดอสุรกายหรือสัตว์นรกส่วนพระสวดวันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพระไม่ใช่ได้ร่องนะเวิร์สินะตายเวลาไหนไม่มนุษย์ก็สวรถ้ามนุษยเออ์เป็นมนุษย์ชั้นสูงอีกเสีย ด, ด้วย มีทรัพย์สินมีรูปงามมีรูปสวยอีกเชื้อรวยมีอายุยืนอีกเชื้อ้วยถ้าไปสวรรค์ก็เป็นสวรรค์ชั้นสูงเป็นวสวัสสวรรค์ที่มีอายุยืนด้วยเป็นโลภุตรธรรมด้วยผู้เลื่อมใสในพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์ผู้มีเชินห้ามีคติเป็นสองไม่มนุษย์ก่อนสวรรค์ผู้ตำก่อนั้นลงมามีคติเป็นสองไม่สัตติเฐาน ก็เปรตาายดช่วดรรยาและสัตย์นรกทำดีก็ทำให้เราคือใจทำชั่วให้เราที่บอกก็คือทำให้เราคือใจเรามีอิสระทางทำดีตามสติกำลังของตนอยู่อย่าเอาความชั่วออกมาอวดกันต้องเอาความดีของตนออกมาอวดกันเรามีสมบัติพอที่จะได้เอาออกมาใช่ในสังคมอยู่แล้ว คือเอาความดีออกมาใช้ในสังคมหรือใช้ส่วนตัวโดยเฉพาะวิญญเยทุกขมัดเจติคนร่วงทุกได้กพเพราะความเพียนเพียนและชั่วทําดีเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสัจหลายผู้เขาทำชั่วเขาก็เพียนเหมือนกันเขาก็สำเร็จเหมือนกันแต่ให้ผลเป็นทุกให้ผลเต็มเป็นทุกตามส่วนคนค่าของเหตุที่ทาน้อยล้ำาส่วนทาดีก็ให้ผลเป็นทุก ตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทําน้อยและมาก umm. ความสําเร็จอยู่กับความพยายามก็จริงแต่พยายามทำชั่วมันก็สาเร็จแต่ให้ผลต่างกันแต่ให้ผลเป็นทุกข์พยายามทําดีมันก็สําเร็จแต่ให้ผล เ, เป็นสุขตามส่วนควรค่าของเหตุที่ทาน้อยและมากเราทำดีก็ไปได้ดีอยู่ที่ใจดินฝ้าอากาศไม่ได้แย่งเอาเราทำชั่วก็ได้ชั่วอยู่ที่ใจดินฝ้าอากาศไม่ได้แย่งเอาเราจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหา อ๋อพราะกที่เขาถือว่าไม่มีบาปไม่บุญเขาที่รวยในทางที่ไม่ชอบเขาไปได้หรือไม่เขาก็ไปไม่ได้เพราะผลของกรรมตามสนองอยู่เขาก็ไปไม่รอดเช่นทั้งพวกถือที่ว่าไม่มีบุญไมีบาปไม่มีคุณพ่อคุณแม่ไม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาแตกกระจิงกันหมดแล้วเพราะผลของกรรมตามสนองคุณของเมดามันดาเปรียบเหมือนคุณพันธ์ ใครอย่าไปก้าวไกลาเลยผู้ใดไม่เคารพคุณบิดามารดาผู้นั้นเป็นคนผิดธรรมดาเป็นคนอักตันอูท่านเรียงมาแล้วเรียงท่านต่อทําจิตตระของท่านดํารงวงศกุลกระพื้ดตนจะเป็นคนคนรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านรองรับไปแล้วธรรมนุที่ท้ายท่านถึงบิดามารดาทําผิดเราจะไปเฮี้วหูกันไม่ได้ทาอย่างนั้นเป็นยังไงเคารพ มันไม่เป็นอย่างนั่นหรือมไม่เป็นอย่างนี้หรือเราก็ทำธาตุศึกษาได้จกไปหิ้หูไม่ได้ผิดเลยเพ ร, ราะว่าเรามัธยชาตาเกิดมาในพบใดธาตุใดไม่ได้เที่ยงวิรามานาเลย้าดเป็นนกแขกก็จะ ไ, ไปเอารวงข้าวมาให้วิรามดากาินของชาวนาที่ร่วงหล่นอยู่ธาดเป็นลิงก็จะไปหาพันไม้มาให้วิรามารดากิน ชาเป็นคนขี้ทุกไปหาพื้นขายหาพื้นขายไม่จะได้มากขนาดไหนก็ไม่ได้สมมุติว่าได้วันได้วันละหาพื้นขายถ้าเทียบในทุกวันนี่ถ้าในวันละห้าสิบบาทอย่างนี้ก็มาแบ่งออกเป็นสี่ส่วนสี่สิบเอเป็นสี่สิบสี่สี่สิบสอเป็นสี่สิบแปดก็แบ่งออกเป็นสี่ส่วน ถ้าหาพื่นได้ขนาดนั้นพระบรมศาสดาไม่ทิ้งวิรามันาเลยชาติเป็นคนทุกขี่สุดอ่ะแต่ ICO พวกเราจนในหาพื่นขายอย่างนี outez, ้เดี๋ยวกลมาเลี่ยงวิรามันดาวิรามันดาเราไม่มีไร่มีนามีเลื่องสวนอะไรนาให้เราเราไม่เลี้ยงหลักก็ทิ้งเลยอันนั้นพระบรมศาสดามันไม่ทิ้งเลยชาติเป็นนกก็ไม่ได้ทิ้งชาติเป็นเรียงก็ไม่ได้ทิ้งเลี้ยงวีรามันดาชาติเป็นคนตาบอดก็ไม่ได้ทิ้งทิ้งวิรามันา ค่าหาฟื้นขายที่ว่ามานี้ก็ไม่ได้ทิ้งแบ่งออกเป็น4ี่ส่วนส่วนหนึ่งเอาไปให้ภรรยาเอาไปให้งูเหา่าถ้าไม่ได้มันก็เห่าพ่อพ่ภรรยาแล้วก็เอาไปให้มันส่วนหนึ่งเอาไปใส่ทะเลหลวงคือเสีปากใส่เท่าไหรมันก็ไม่เต็มส่วนหนึ่งเอาไปฝากท่าคลังมหาสมบัติคือเอาไปบริจาคทานในพระพุทธศาสนา ส่วนหนึ่งเอาไปใช่นี้คือวิรามานดาแบ่งออกเป็นสี่ส่วนนั่นไม่ทิ้งวิรามานดาเกิดมาในภพใดชาติใดก่อนและราชชาติก็ไม่ทิ้งพระบร ม, ามาศาสตร์จนชาติเป็นพระสมาะพุทธเจ้าน้อยประเทศโปรดมานดาที่ขั้นดาวดึงถึงพระโสดาบันเทศโปรดเอาพระสุธโทธนะก็ได้สําเร็จพระรหัสนั่นมาเหตุนั้นจึงว่ามาตาปิทุอุปัตขานะ เอตํามังขณมุตตัมังเป็นมงคลของเทวดาและมุตทั้งหลายการปฏบิบัติวิดามานดาตามสิทธิกำลังมีพระองค์หนึ่งบวชมาในทางพระพุทธศาสตร์นะมิดามันดาเขาเรียกไม่เป็นธรรมพระองค์หนึ่งนะั้นท่านก็เออเราก็มีสิทเหมือนกันท่านไปเป็นธบามาได้มากท่านก็แบ่งให้มันดาวันไหนได้น้อยไม่ขันเลยให้วิดามันดาฉัน ทำอยู่อย่างนั้นนานพอต้องกวรเกิดหมู่ฟ้องขึ้นฟ้องพอบรม ศ, า ศ, าศาัจธรรมว่าพระองค์นี้บวชมาเรื่องเวลามา น, นาเมื่อค่อยจะได้สมาธิสมาบัติเขาเขาเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากตอนเย็นเราจะตีระฆังพอตอนเย็นก็ตีระฆังพระทั้งหลายมาทุมกันเธอทําอย่างนั้นจริงหรือพระก่อจริงพระเจ้าข้า เธอทําอย่างนั้นเธอเพื่อมีเจตนายอย่างไรว่าจะเล่าให้เราฟังดูหรือให้สงฟังดูหรือถ้าเวลาพระมัรดานี้ ม, พมีพระคุณรอดเข้าร่องกระหม่อมพระเจ้าผ้าเข้านึกอย่างนั้นแต่ก็ไม่โกรธผู้ที่มาพ่อเเขาก็อยากจะรู้จักอยู่ถ้ะเวลาขั้นมีท่อท่านก็ลำบากระวังพอตั้งคันท่านก็ลำบา กินของเผ็ดของเค็มก็ไม่ได้พระเจ้าข่าระวังข้อใหญ่โตมาก็ระวังเป็นลำดับมาไม่รู้ว่าจะไปหกไปล่มที่ไหนเสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมเวลาคลอดบุตรก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตยังหรือไม่ยังก็เสี่ยงบุญเสี่ยงกรรมส่วนพิดาไปหาทางอื่นมาให้แต่ก็นึกถึงภรรยาของตนอยู่เดี๋ยวนี้ถ้าเข้าพูดไปม า, มากกน้ำต า, าจะไหลเราะเห็นได้เขาเห็นว่าพ่อตโตมา นอนคว่าก็ไม่สบายนอนหงายก็ไม่สะดวกนอนตะแคงก็ไม่สะดวกเวลาไปถ่ายอุจจาระถ่ายปัสวะก็คงจะได้คาร์มังถ้าท้องโตๆลำบากมากเวลาจะทอดก็เสี่ยงบุญเสียงกรรคทอดออกมาแล้วก็ต้องอยู่ไฟก็ต้องผอมเหลืองรอดเป็นรอดตายพระเจ้าคกว่าจะเลี้ยงก้ามาใหญ่ถึงขนาดนี้ก็ เวลามีผู้ช่วยดูแลก็พอประทังถ้าไม่มีผู้ดูแลก็มือหนึ่งก็อุ้มลูกมือหนึ่งก็โกกี้กว่าจะใหญ่มาใหญ่โตหัวหฐานมาให้เข้าพูดไปมากก็นำตาไหลแล้วเดี๋ยวเนี่ส่วนวีดาไปหาทางอื่นก็จะทุกข์ใจเหมือนกันเหตุนั้นจึงเห็นบุญคุณของท่านมากถ้าเหดุเ้าก็จะเส่ง ถ้าถูกเกข้าเขจะปฏิบัติไปเออดีล่ะนี่ละ่ละเราเกิดมาในเพิ่ใดชาติใดไม่ได้ทิ้งเวลามันด า, าเลยท่านจึงได้กล่าวเรื่องนี้ขึ้นผู้ใดเวลามันดาดุได้เขาเย่เย่ยอย่างนีเป็นบุญมากเอาเป็นบาปมากเลยขโมกขลาทําผิดแก่มานาันดาพระอุบายจะเอามันดาไปทิ้งแต่ก็ไม่ได้ทิ้งหรอกกลับคืนมาถึงอย่างนั้น เกิดมาพบใดคาดใดถูกเขาฆ่าทุกพบทุกคานนนดนั้นเหตุนั้นพวกสามเณรนับแต่ก้าวกายวีนามนลาลาสิกขาออกไปให้เคารพอย่าเอาของให้วีนามาลาอย่ายืนให้ถ้าวีนามานานั่งอยู่ก็ต้องนั่งลงเสียก่อนท่านพูดอะไรพิสถูกเป็นหน้าที่เราจะฟังเป็นหน้าที่เราจะพิจารณาไม่เป็นหน้าที่จะหาเหลี่ยมชนะ พูดมาอย่างนั้นกูจะเอาเดียมไหนหนอจึงแกชนะอย่างนั้นไม่ถูกตกนารกตายไม่เจริญคนหนึ่งญาติของน้องปู่อยู่ทางอุดรเป็นสาวอายุ1ิบสองสิบสามปีมานดาดุอย่างนี่เป็นผู้หญิงกระโดดขึ้นก็ทืบเรือนเลยตึงตึงตึงอยู่มาแม่ดาน<อ>โรคมะเร็งแตกออกที่ว่าไม่หายรักษาไม่หาย จนถึงวันตายเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชาราการเมื่อพ่อแม่แก่เท่าชาราการจงเลี้ยงทานอย่าให้อดแรกพดใจด้วยพระชนกคนีมีพระเดช ด, เด้วยพระเกศเกษามาจนใหญ่ปุ้มอุทานป้นเข้าวเป็นเท่าไรหมายจะได้พึ่งพาทิดาหลวถ้าเราดีมีจิตอุปถัมภ์บุตรสนรัมเลิศเทา่าพระภูเขาหลวงจะปรากรดยิ่งสิงทั้งปวงจนกว่าจะล่วงลุกถึงซึ่งคณะลุกผาที่นี่ ในพระธรรมเทศนาของพุทธศาสนะลูกชายไม่เลี้ยงกล่าวคาถาด่าลูกชายเลี้ยงบุตรจุดนี่น้อยนักไม่แทนมือพ่อได้เหมือนใจหมายคุณไม่เท่าพ่อนี่มีมากกว่าและคากายย่างย่องจ้องเกุล จ, จะเดินทางไปข้างไหนใครสถานเพื่อพบผ่านปัดว่าร่ายจะวายหุ่นไม่เท่าปัดวัดเหวี่ยงไปทางบุญคงมีคนฝ่าลูกที่ปะละเลยเช่นเขาผููเจรจากันเกลื่อนเขาพูดกันเกลื่อนอยู่ว่า เป็นลูกขี้กาปูเจ้าฆ่าเอ๋ยน่ะอย่าให้เป็นอย่างนั่นพวกเราลาที่ขาออกไปอย่าไปเป็นขี้โ ก, ก้ขี้เกอย่าไปฮัดสูบบุหรี่อย่าไปรักตังทำแห่ไปเที่ยวเล่นอย่าไปคบขี้กโ ก, ก้ขี้กเกอย่าไปดมกาวเขาชวนไปทําช่วยอย่าไปแล้วชวนดื่มสุราก็อย่าดื่มครับผมเป็นโรค เป็นโรคอะไรเป็นโรคเสียตังเป็นโรคฉิบหายเป็นโรคบาปแต่เราไม่อธิบายครับผมเป็นโรคอะไรนั่นยกมาใส่หัวแล้วก็หมดเรื่องถ้าว่าบาปอย่างนั้นอย่างนี้เดี๋ยวมันจะชุกกันต่อยกันไม่เอาต้องหาวิธีหลีกเวลาเราไปเรียนหนังสือเราจะใช้ยาใช้เงินสุ ร, รยซุ่ยุล่ยกก็ขอพ่อขอแม่บ่อยๆเราต้องเป็นผู้ประหยัดความประหยัดเป็นความไม่ลืมตัว เช่นพระอย่างนี้ก็ต้องมีก่อกเข็มไว้กับตัวเมื่อขาดที่ไหนก็จะได้ชุนได้ปะความประหยัดเป็นเหตุไม่ให้ลืมตัวอย่าใช้สุรุยรย่ยุื้อไรอยากขอเงินพ่อเงินแม่บ่อยๆสำหรับพ่อแม่ไม่มีก็ต้องยืมบ้านมาให้กว่าลูกจะเยันจบเป็นทุกข์หัวใจมากเหตุนั้นจึงประหยัดถ้ามีเพื่อนยืมเงินจะให้บอกว่า ผมก็วิดามัรดาของผมก็หาเช่ากินเย็นใหนึกอย่างนั้นถ้าเขายืมแล้วเขาไม่ค่อยให้เออยืมแล้วเขาเท่ากับขอได้น่ะทุกวันเนี่ยทะเลาะกันเรื่องยืมเงินมาหาหลวงปูเ่เรื่อยยังไงจินจะได้คืนอย่างนั้นอย่างนี้เขอให้หลวงปู่แผ่มเมตตาให้ด้วยว่าจะแผ่มเมตตายัางไงก็มองไมาเห็นจริงเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเจ้ามณีจะได้พิจารณาทั้งนั้นเพราะจะได้ออกไปสู่ฆราวาส ดื่มแนะนำซะทีนี้ี่สงสัยตอนไหนก็ปลารถมาสิคําสอนพระพุทธศาสนาไม่มีคําสอนใดๆจะเหนือพระพุทธศาสนาไปดอกสอนปกครองโรคก็สอนแล้วทําเป็นโล ก, กบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้มครองโลกได้ถ้าไม่มีความละอายต่อบาปความกลั ว, บบ ว, วต่อบาปเนีวัดหมายจะทัาไว้กี่ร้านมันก็ไม่อยู่มันก็ไปล่วงละเบิดสินห้าอีก ถ้าชาวโลกมีสินห้าบริบูรณ์ทุกท่านนับแต่รูเดเรงสาไปถ้าหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าโท่ตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีคดีดำคดีดแดงในโลงในศาลก็ไม่มีเรือระเบิดปรมาณูนิวเคลียร์ก็ไม่ต้องมีนั่นถูกไหมล่ะนั่งแต่ชาวโลกทำขี้โอทำท่าทำทางแข่งดีกับพระพุทธศาสนาไม่เอามาพิจารณาเลย กฎของพระพุทธศาสนาไม่ได้ตั้งใหม่เลยพระพุทธเจ้ามากี่ล้านพระองค์ก็มาลงเอยอันเดียวกันไม่เหมือนกฎไม้กฎหมูกฎพักกฎพวกของชาวโลกตั้งอยู่ไม่แล้วไม่รอดเลยพวกหมูมากก็ลากไปพระกิเลสไม่ลดตําแหน่งเหตุเทนั้นจึงลดตําแหน่งกิเลสไม่ลดตําแหน่งมีโลกกดหลงจัดเต็มแผ่นท่าแผ่นดินใครออกเสียงก็ดึงเข้ามาพักของตัว ใครออกเสียก็ดึงเข้ามาพักของตัวชาวโลกนึกกูดึงไปมึงดึงมานี่พระสมานพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพราะสอนโลกโดยโฉ่งแจ้งแล้วพระพุทธดึงทรงพระนามาโล ก, กับวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกเป็นที่พึ่งของโลกได้สนิทเหตุนั้นเราจึงยอมนับนับถือพระพุทธศาสน า, าถ้าไม่อย่างนั้นเราก็ไม่ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาเข้มคิดจะมีกี่ล้านล้านก็ชี้ไปในทางทิศเหนือ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 คำสอนใ ด, ดๆก็ไหนลงสู่คำสอนพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นไม่พูดอีกก็อจริงๆิตไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เีืยอเป็นจริงอยููไหมมีกลางวันกลางคืนใช่หรือไม่นักไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดเสียน่าไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นไม่มีมีในท่านผู้ใดผู้นั้นถึงพระโสดาบันแล้วความโกรธความโลภอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตน ความโกรธยากแยบ เ, นเยนของ ผ, ผู้อื่นไม่มีในท่านโท้ใดผู้นั้นถึงพระอนาคามีแล้วศาสนาไม่มีอยู่ใดหัวใจแล้วได้กฎหมายใดใดก็ตั้งมาอยู่อูข้งธรรมไม่นำคำหนึ่งก็หมดที่พึ่งจริงอิงอาศัยชาวโลกายาได้ประมาทพระพุทธศาสานาเือนทำไมจึงอาบน้ามันตกกระปกมันเข้าสังคมไม่ได้แม้ตัวของเราก็เนอหนะไม่สบายตัว ทำไมจึงทานอาหารพราะมันหิวทำไมจึงเข้าโรงพยาบาลเพราะร่างกายมีโรคทำไมจึงปฏิบัติสิ่งธรรมพราะจิตใจมันมีที่เหร่ใช่หรือไม่เพื่อให้มันบรรเทาลงบ้างเมื่อโรคปวดหลงไม่อยู่ตราบใดการปฏิบัติเพื่อบรรเทาให้โรคปวดหลงเบาบ า, บางะอะไรเงไี้ยแค่ไหไปกอปฏิเสธไม่ได้ใช่หรือไม่นั่นเอ้าเอวังนี่กันหนึ่งอีกเพศทั้งเนรทั้งพระ เทศสังโยมด้วยเทศทั้งเจ้าของด้วยสีนี้ผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟังก็เอาใจฟังฟังเทศก็คือฟังใจถ้าไม่มีใจก็ฟังไม่ได้ถ้าไม่มีใจก็เทศไม่ได้เดี๋ยวก็ผู้เทศก็เอาใจเทศผู้ฟังก็เอาใจฟังตก็ตรงก็มีความหมายอันเดียวกันทีนี้นักเทศเอกยังมีอีกไม่ลงธรรมะ ความแก่เจ็บตายไม่ลงธรรมะเลยสรรมากายความเป่อยเน่าในแทกคนละกายก็ไม่ลงธรรมะอันนี้เทศไม่มีเอวังไม่เอาราบเอายอดกับใครเลยอันนี้ทางพรมัตเทศความแก่เจ็บตายก็จริงอยู่ไม่มีตังวันคือสังขารเกิดดับก็เกิดดับอยู่ไม่มีตําวันคือดอันนี้พาลไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ไม่มีตังวันเกิดอันนี้เทศอยู่ไม่ลงธรรมาใครจะเห็นหรือไม่เห็นไม่เป็นปัญหาอนนี้ทางพารมัตลาข้างเหนื่อยแล้ว กูได้ว oh, ่า้นทุกที่ตาเถ่าเทียงในใจต้วยโอ้ยพระทอห้องทุกหน่วะเกิดมาชาตินี้ไม่จะทุกข์ร้ายห้อเพราะบอกเรื่องทุกมหาเถาเทียงเนี่ยพระอขาบอกร้ายตัวร้ายจ้วากินร้ายขี่กองไงน่นร้ายรับร้ายมาจ้วยแล้วใารราบพรตัวโตก็จะเสียหรวะโตก็มีสิทธิอยู่ไล่ะอะลรขนาดนี้แลมัเนี่ยต้อเป็นตยอยู่วนี้เนี่ยเห็นเป็นสียอยู่ เฮ็ดเต็งซี่ยู่น่อยเนี่นหนอก่บเปตยู่หนอกของนี้หน่อยนอกมันมเต็นงา ม, งางาม pixels, าาง่างี้่งนี่อยู่มันจะกปเป็ต็งยู่อย่งเง้หนอกถ้านี่วัดเข้าหน่มันโมมีเท่านีนาน้เอมปปอเป็นกอกเป็นสอยไอ้ผุนมาต่ำกว่าวยี่สิบหลังไอ้ผุนอันนี้มันเฮ็ดหลอกนาะแครก็คือหลักหนะเฮ็ดเพื่อมันศูนย์กลางก็คอหลักผุนไปถ้าพุนกับต 20, วต่ำยี่สิบสามสิบหลังไม่ไปั้งพี่คือกันเป็นตรอกเป็นสอยไปอันนี้มาเห็นท่นี้นก็ต่เกว่าเสียเกี่ยวขึ้นกันอย่าง ก็เห็นเอนเนี้ยมันก็ไปเห็นทรรมผีนั่มโมไปเห็นทรรพุ่นนําก็เสียเกี่ยวซึ่กันนูวัดให้ดูฐานดูบ้านให้ดูครัวเนี่ยขัวบะปัดกับบดีครอบครั้วสั้งสอนกันกับบดีนูวัดก็ดูฐานดูฐานวันผีเห็นเนี่ยขัวบะปัดกับบดีครอบครัวสั้งสอนกันกับบดีนูวัดก็ดูฐานดูฐานวันผีเห็นยกกระโปงก็พวกได้ซึ่งกัน ฐานะบนปฏิบัติเอามน า, านดู้านให้ดูครัวครอบครัวบปัดบดปัดโรกบ๊ ป, บปัดคัวเงื้ยนเกาพดีเบื่องครอบครัวเขาจสอนกันไปังไงง่ายง่ายนัเดี๋ยวมาดูครัวดูวัดให้ดูฐานฐานะที่ปฏิบัติฐานขีใช่เงี้ยจคือันไนมีแซบูลา่าเนียยว่าฐานขีได้อันนี้เดียวเดียวห้องน้ำม่พรฐานพรฐานคือฐานขีเนี่ เราปรัดขอฐาน่านคือฐานขี่แ่นแ่ะตะเกียบานสี่ปอยตะเกียบมันมันบัคือจังโสมือจังโมเรียกว่าหองน้าเรียกว่าสวมกับเรียกว่าเรียกว่าหองน้ำจังโสมือหองน้าก็หองขี่ก็หองอาอันยากนนหน่อยแน่ห น, นหน่อยเอาเอาอกอีกหน่อยเนาะอันตร า, ายของพิสูสามเณรผู้กหมาสี่อย่างแล้วเรีกหน่อยซ้ำเดี๋ยวท่านมาพูดสาวเปลี่ น, น หนึ่งอดทนต่อคำสั่งสอนไม่ได้เบื่อต่อคำสั่งสอนที่เสียทาตามสเป็นคนเห็นเปีาปาแก่พ่อทอนความอดอยากไม่ได้สามเพลิดเพลินในกรมคุณทายานอยากได้สุขยิ่งยิ่กนไปสีรักผู้หญิงเลกหน่อยทํานี่พนรักยยบบ ผ, ผู้หญิงแบบชหัุหักุงรักผู้หญิงเป็นหิสูสามอเนรผู้หวังความเจริญแก่ตนแลให้อันกาํารสี่อย่างนี้ทำมีได้พเจ้าสอนวัดเนื้อ้พระพุทธเจ้าสอนว่ี่กินข้าวข้าน ถามานันเรนเพิ่งทำความศึกษ า, าเราจะนุ่งให้เรียบร้อยสมานันเรนเพิ่งทำความศึกษาว่าเราจะหอมให้เรียบร้อยนุ่งให้เรียบร้อยนั่นคือนุ่งอะไรคือนุ่งคือนุ่งยังไงเรื่องบนเหนือะเฉยเรื่องล่างเพียงครึ่งแคงหอมให้เรียบร้อยคืออะไรคือหอมออกไหลบ า, ากยะระหวังมือเท่าได้ดีเดินเดินนั่งในบ้านจะมีตาทอดลงเดินดีดีนั่งในบ้านเข้าไปในบ้านจะตั ว, ตวสึกสีเล็อน้อย เขาไปได้ป่ะนี่ตาออดโลงฉันอาหารเพื่อกระบอกเราจะไม่ฉันดังชับๆเราจะไม่ฉันดังสุดๆเราจะไม่ฉันเรียมือฉันจะแล้วเราจะไม่ฉันเรียที่ปากอืเราจะไม่ฉันโยนคําเข้าเข้าปากครับเมื่อคําเข้ายังไม่ถึงปากเราจะไม่อาปากไว้ท่ามันตอกหง่อนนี่ตะกันเราจะไม่ฉันแอบรีน ต้องหดเรียนไว้เราจะไม่ชันดันงจับจับเราจะไม่ชันดันงสู้สู้เราจะไม่ชันทำามาพุ้งแก้มให้ตัวอย่งนั้นิงมันหลอกใมันซื่นมันเงาแนอนไปเอานี่เอาละเอนีอลอล่ลุกจังหวัดภูเก็ตนะเพราะนักเรียนมาถามผมพักเดคนเดียวอยู่ที่ริมทะเลทำอะไรน่อายุ สี่ชิปปี้และที่แปดชิปกว่านี้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์มหานิทยาลัยเขาทยุทธอันไหนดีเขมาถามพวกนักเรียนเราชอบนายแดงเราก็ใส่ชื่อนายแดงเราชอบนายดำเราก็ใส่ชื่อนายดำนายดำทาผิดนายดำก็ผิดนายแดงทําผิดนายแดงก็ผิดถ้าเรามาศาสนราเมื่อในเย็นยันามหานิกายที่ทยุทธเป็นชาวของท่านแต่พวกเรามาใส่ชื่อดูนามกัน ท่านยืนยันแต่เพียงว่าซึ่งพระเจ้าปโนโอุชโยยะสามีกินี่เนื้อสาวกของเราสถาคตท่านยืนยันแต่เพียงนั้นไม่ได้ยืนยันธรรมหาิการนิธรรมยุทธเป็นสาวก ข, ของท่านเมื่อไม่ยืนยันอย่างนั้นแล้วก็ปัญหาอันนี้ก็ต่อไปในตัวใช่หรือไม่แล้วก็พูดอย่างนั้นดีเออพูดอย่างนี้ก็น่าฟังมากน่าส่วนพิจานาท่าไม่ยืนยันธรรมหานิการนิธรรมยุธแต่งัวสาวก ข, ของท่าน ท่านยืนยันแต่ว่าชุกปัจปนโนพระสสดาบันสกษาคารีอนาคามีพระทหารนับถัางพูดอยู่ในมักด้วยเป็นสาวกของท่านเหลือดอกนั้นท่านมายืนยันแต่พวกเรามาเถียงกันผมก็พูดอย่างนี้จิถูกไหมนะนั่งลูกเต่าเนี้ยจะลูกหลานเนี้จะพากันไปเรีนเลขเลีนพ้าเลีนบ้านเรยนเบื่อมันเชิบหาได้หอดมันเสียผู้พระสวสดา์บันมันเสียไตชนะคมขั้นเนเลขเสียไตสนาคม ไตนาคมว่าบริบูรณ์รัฐบาลเรียนรัฐบาลเขาว่าบริบูรณ์่ธนาคมใครเรียนก็าว่าบริบูรณ์พิดไตธนาคมก็พิดคุ้มพระสดิวันรดีพระสวัสดิวันรมเรียนเลขมาลวงเราเมื่เสียงหาพระสดิวันรมาเสียดายเห็ดนเอยมาได้ลำบากเส็นอยัางมาเสียดายเพราะเห็นว่ามันท่ากิ่งผายมาเขาจะเป็นท่าก็เรินยักษ์เท้อเหนือกมาเห็นชอบดวงตาเห็นถ้ม เห็นธรําชัดแล้วก็เห็นเชตินั่นเป็นที่เพระเจ้าของได้แล้วพระต้มเจ้าของพระุนเจ้าของก็เห็นวําเป็นท่างชิ้มหายเห็นตําเป็นจริงของของธรรมเห็นนามัสสิจรเิญว่ามเรียกควาบูเห็นตามเป็นจริงเราก็เห็นกุงจักว่าเป็นดอกบัวเห็นนามัสสิจารเลิศเอามือเดไปใช้มันขาดตัดมือเห็นว่ามัสสิจารเลิศสบายความว่าคือแมงว่าวเิ็นเขาตะเกียงห่ะว่ามันจาเจริญนั้นที่ผมีขาดล่นมัด ตายเปกนกองกองธรรมดาพวกเรนเล็กกูตัวมึ่งมึ่งตัวกูอลยขีกระมูกตัวขี่กระไม้พวกเรนเล็กกระตุ่มพวกเรนเล็กแลนน้วพักขับไปเหตุงูเอาเรนหายเสีหายเรนหนาแสียหน้าตัวคอยไม่บาดเหมือนเทดินมันยั่งค้อยไม่เล็ก้ม่ผาเนี่เดินมันยัง่งเลยมัดตอดตอดเลย ส, สอยซอสายตาเขา่ขยังเกี่ยวแยงแจมตัดพ่อแ ม, ม่ปัานไห้เขาไมยัง่งมีทั้งซ่ามหันมัดหลายม่ห่าจะไปเห็ดให้หน้าฟ้าถาวมม่ห่าวยังงดูตื้นกระได ต, ตื้นสูง น, น, นี่คือแบบอกเห็ดนี่กนใดจะเกลือรถคั้นไได้ดยละเอียดโฟ้าดยวัดโดยเบือให้หน้าชงเหน็ดได้โดยเรียดโดยฟ้าโดยบั ด, ด, บนนดโดยเยดด บ, ดดบือพรานี่น่ว่ามันเสียไป นี่จะว่าเป็นหนีตะพึ้นตะพื้นนับนับต้องปล่อยเรนอเมื่อไม่ั้งตื่นขึ้นมีชื่อแรกเท่ากับพลังพ่นเย็นมันท่อคอ ส, สอเสียมันจะน้าค้านมากขันว่าสงมอดเขาันไปบอมใชเลขเขาใจมันทีได้มันจะวามไปบอมใช่สองเดือนสามเดือนวามไปวามไปเดือนสามทเทียมมตีเกียร์น้ดกระบ่างไม่รู้ขึ้นต่อเสียเกินหมดไงมันงดงานคำว่าเป็นงานไง อันจะเล่นเลขเสียอะไรเฮ็ดงานว่าเป็นงานเนี่ยเฮ็นอะไรว่าเป็นอะไรดูะะว่าระจุกเมื่อชนะกรอเอ็เมื่อแพ้ย่อมเสียอะไรทรับที่เสียไปทรัพย์ย่อมสิ้นหายไม่มีใครเชื่อถือใครทำเป็นที่มินสมานของนักฝ่าไม่มีผู้ใดจะสงประสงค์จะแต่งงานด้วยนักฝ่าประสงค์จะว่าประสงค์จะแต่งงานด้วย แล้วปกิลแล้วคนเขาเป็นเอากันเพราะเรืไ่ไข่เนี่ยมันตรงใกล้ขายวัาหัวคนเป็นเก็บสินของยาวหัคันช้าเมื่อนีเท่าอัวเกลียวต่าเก็บนำร้าย <c ười> เรือยๆหลายๆจีบหายบ่อยๆเ ม, มือนกนคุณได้เรียกทุกอย่างคุณได้มอยากทุกอย่างสื่เรียนเรื่อยๆคุณได้มอยากจีบหายยาสื่เรียนเรื่บ่อยๆ เพืไไเไ่ได้หยักทุกข์ไปให้เ ร, เรียกวัดหลายเพือได้ยักสหายไปเรบ่อยสมหมายนี่ลนี่ก็เอันน้องจสมหมายสตับม่เรกวดหลายลหลวงปู่วันเอมันก็เมนแล้วลูกเลยตุกเียัาีนาล้ลงวดหลายแวว่าต หลายล้านเลีนเลขว่าันโตมีเงินล้านปานั่นแล้วตโตก็เรียนเลศแสาปีโตก็นันเป็นเศ็ษสีล้วเท่าเอ้่าสันตัวเศร้า บ, งบงาบงบรูว่าสันตัตเศ้าบางสามปีปีมันมันโตมึมเ็นเงินมาฉี่สปาาเขาอย่างรไหวว่าปานั่นก็เศร้าแล้ ว, วสันเลยเศร้าถ้าเศ้าวานี่เจดแปปีในโลกสีสองลงลับานเนี้ยนั่น น, น่เป็นนี่เขายกหาชิบกล้านใส้บ้าหลัง นั่งเช่าเรียนเลขอะสมัยอะเมื่อเสียรายอยากเรียนเลขเรินฟ้าเม่เสียดอยากจะถ่อยูย่องห้องกับพันธ์เม่อเสียรายอยากถือเหลือดีย่ำดีเมื่อเสียราากองระเบิดที่มาเมื่อเสียรายอยากถือศาสนาอื่นนอกจากพระพุทธศาสนาไปมันจะโบลลัมบ่อีนั้นทำกับเรื่องศีลโบราณโนั้นกับพระตองอะไรรักษาทำะศีลกัรักษาคนอ่ะพวกนั้นก็าอะรักษาศีลอ่ะ คนดีรักษาคนนั้นนั้นเขา่ได้รักษาคนดีเนี่ยมันเป็นพัฒนาไปในตัวแล้วพัฒนามนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพมสมบัติผ่านสมบัติไปในตัวแล้วร่างกายมีทุกมากมีโทษมากเราอาภาษต่างๆยอดตั้งอยู่ในกายนี้โรคในตาโรคในหูโรคในสมองกระโคโรคในตาโรตาโรคโคโรคในหีคาระโรคโคโรคในสมองชูหาโรคโคโรคในยิ้นดัมตะโรคโคโรคในฝัน มุขะโคโคลโรคนะครัถ้าพระโรคทั้งพวงอยู่ในสกลกระายนี่นอกจากนี้ก็ยังมีความเจ็บเกิดขึ้นความเจ็บเกิดขึ้นจากฤดูแปรรูนความเจ็บเกิดขึ้นจากเปลี่ยนอิุิยาบทไม่สมือความเจ็บเกิดขึ้นจากอาษบาทของกรรมความเจ็บเกิดขึ้นด้วยโรคสารพัดต่างๆโรคมีเบือดโรคเบาหวานโรคที่ดวงลําไข้ ถ้าพัดเป็นโลกได้ในสะกนาอานละทรายนี่ทีงว่าอาตีหรว่าสัญญาความเห็นโทษในทายนี่ที่ตังทุกขังถูกอันเย็นเกินไปก็เป็นทุกขุนหังทุกขังถูกอันร้อนเกินไปก็เป็นทุกขี้ขัดขาทุกขาปีภาษาทุกขาเมื่อข้าระหายเน่าก็เป็นทุกอุจจรรโลงวะขอหวติทุกโขปวดอุจจระวัชวะก็เป็นทุกข์เพราะมันปวดเสยอนเึินไป เธอทั้งหลายองพิจารณาร่างกายมีเป็นทุกข์ยเธอจะเบื่อหนายในร่างกายจะไม่ได้มาสร้างร่างกายอีกจะชอบโผลพันาุ์พันธุ์โดยงนะ่ายความแก่เก็บตายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยความปัจรินะไม่ได้สมหวังก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยความาากักท่าจากสิ่งที่รักก็ไม่ใช่เล็กน้อยปาันฉสิ่งใดไม่สมประสงค์ก็เป็นทุกข์ใจก็ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเห็นอันนีก้กลางคณะคิดหนึ่งก็เห็นอรอบรอบหนึ่งแล้ว เขาลกจะไปด้วยอะไรสักอย่างเห็นทุกข์ก็นาคิดหนึง่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเขาโลกเป็นไปด้วยกองทุกข์คําสอนในพุทธศาสนาสอนให้เบื่อหนายความหลงของตนที่เคยหลงมาความหลงของตนคืออะไรหลงของมาเที่ยงว่าเป็นของเที่ยงหลงของเป็นทุกข์ว่าเป็นของทุกข์คือหนังหุ่มอยู่ในรอบหลงของไม่ใช่ตัวตนว่าเป็นของตัวตนจริงๆจริงๆจนแกะไม่ได้ไดคลายไม่ออก หลงของไม่สวยไม่งามว่าเป็นของสวยของงามคือสกปรร่างกายเราดีนี่เอง ừ ừ. ถ้าหากว่าสติปัญญาของพวกคือเนื้อความหลงแล้ว <ừ. S 1> ความหลงก็ตั้งอยู่ในนี่ไม่ได้ก็ชนะกันไปในตัวขอวงพุทธศาสนานั่นคือตัวมหาศิงสมาธิปัญญาคํำสอนใดในใจโลกธาตุเป็นเรืองขึ้นคําสอนพระพุทธศ า, าสนาหมดพระพุทธศาสนาสอนมนุสมบัติเต็มภูมิ สอนสวรรค์สมบัติเจ็มภูมิสอนพรมสมบัติเต็มภูมิสอนนิพพานสมบัติเต็มภูมิแล้วถ้าไม่ล่วงละเมิดอวัาายวมุขทุกประเภทก็เป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมิแล้วแล้วก็พัฒนามนุษย์สมบัติและสวรรค์สมบัติและพรมสมบัติไปในตัวด้วยคําสอนใดๆเป็นเมือาขึ้นคําสอนพุทธศา ส, สนาบทเขลมฉิทจะมีกี่ด้านล้านมันชี่ไปทางที่เหนือโดยเองในตัวสมอง คำสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพุทธศาสนาโดยเนืรู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผููรู้เนไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผูเ้เชื่ออะไรไม่เชื่อกินดูไม่ไมีกลางวันกลางคืนอะไรคำหนทางได้ ห, หลายทา้องน้ำพลอยน้องครองเมืองบางต่างๆได้ลงสู่มหาสมุทระโดยหนึ่งรู้ตัวฉันนั้นคําสอนใดๆก็ได้ลงสู่คําสอนพุทธศาสนาโดยเนืรู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีก พระพุทธเจ้าจะมาขี่ร่านพระองค์ก็มาสอนอันเดียวกันมาปกครองโลกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีพุทธจิริยาสามพุทธะจิริยาทรงประพฤติเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าญาติภะกริยาเพื่อสงฆ์ญาติโลกภะจิริยาสงเฆ์โลกคําสอนของพระพุทธศาสนะสอนทรรมมนุษย์สมัดสวรรค์สมัติพรสมัดนิพพานสมัติไปในตัวเลยไม่มีลัทธิใดๆที่จะมาเหนือเลย อ้าทําเป็นโรกบาลคุ้มครองโรกสองอย่างความละอายต่อบาปความกลัวต่อบาปเท่านั้นนี่จะคุ้มครองได้ใครเป็นผู้บัญยัติบาปบุญคุณโทษถูกก็พระพุทธศาสนาสอนนั้นเพราะไม่มีกิเลสนอกบานอกจากนันเอาเป็นประมาณไม่ได้สิ่งที่เป็นบาปบัญยัติก็เป็นบุญมีความมีสิ่งที่เป็นบุญบัญญัติก็เป็นบาปก็มีเอาเป็นประมาณไม่ด้พระพุทธศาสนาบัญยัติถูกบาปก็เป็นบาปจริงบุญก็เป็นบุญจริงบาปก็คือสิ่งที่ ไม่เป็นประโยชน์คือเป็นสิ่งที่เบ็ยเบียนตนบุญก็คือเป็นสิ่งที่พื้นของตนอันกเกษมไปตลอดต้องผลิตภัยคาสอนพระพุทธศาสนาะมันเป็นดิ่งเป็นระดับน้ําเป็นเครื่องวัดเป็นเครื่องตวงของชาวโลกชาวโลกตัง้งข้อไม่ข้อหมกข้อทักข้อพวกไม่มองรูคําสอนพุทธศาสนาะมันก็ไปไม่รอดอ้าถ้าชาวโลกมีความละอายต่อบางมีความกลัวต่อบางแล้ว ก็ไม่ไปร่วงสินห้าถ้าชาวโลกมีสินห้าบอลบูวณ์นับแตูรุ่นยังสามทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีกุญแจก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้านั่นนั่นนั่นโจรผู้รายก็ไม่มีสงครามก็ไม่มีด้วยทีนี้คำสอนของพุทธศาสนามีขอบเขตทีนี้พมจันทร์เบื้องต้นของพุทธศาสนา คือพระโสวธรรมันไม่เสียดายเรื่องละเมิดศีลห้าไม่เสียดายอยากจะถือสาธรรมดาอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกับพันไม่เสียดายอยากปลงอบ า, ายมุกไม่เสียดายอยากจะจองเวรทันตัวใดโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวร น, นั่นโูมพระโสดวดธรรมันไม่เสียดายอยากจะฆ่าขายเชือกฟั ไม่ใช่ได้อยากค้าขายมนุษย์ไม่ใช่ได้อยากค้าขายสัตว์เป็นและเนื้อสัตว์ที่ตัวข้าเราเป็นอาหารไม่ใช่ได้อยากค้าขายนําเมาไม่ใช่ได้อยากค้าขายยาพิษการค่าขายห้าอย่างนี้พระโสดาบันไม่ใช่ได้ลองละเมิดเลยเพราะเหตุใดจึงเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุว่ามันเป็นทางไม่เจริญไม่ใช่ได้อย่ากลองละเมิดศีลห้าเเห็ุนั้นเป็นทางไม่เจริญ เห็นบาปตามเปนจริงของบาปเห็นเวรตามเปจริงของเวรไม่เหมือนเห็นทรงจักว่าเป็นดอกบัวเอามือไปคว้าใครอยากจะรู้ตนว่าเป็นพระสศทวันก็ไม่เสียดายหรอกเมื่อศีน้าไม่เสียดายอยากกศิษยศาสดราอื่นนอกจากของพุทธศาสตร์นาไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะถือเลิกปีอย่างดีไม่เสียดายอยาก จะจองเวรท่านคนใดโกรธอยู่แต่ไม่จองเวรมึงเจะดูไม่ได้มึงเหลี่ยมนั้นกูจะเอามึงเหลี่ยมนี้ไม่มีเลยเมื่อได้ทําผิดเข้ามาแต่ชาติก่อนหรือเขามาทำํำผิดใหม่ก็ดีไม่แล้วรคันไปซักเราจะไม่จองเวรท่านคนใดโกรธอยู่แต่ไม่เส้นกับจองเวรนัน่นคุณพระโสดทอะไ ร, รถ้ามาอย่างนั้นแล้วจะเดินจงกรมภาวนาจนตลอดรุ่งตลอดค่ากอตามอ้าปากกินลงเหมือนไอคุกกอตาม เหมือนส่งโทรก็ตามบดอาหารคุ้มผมคุ้มขนหล่นก็ตามก็ไม่ใช่พระทวะก็เป็นโรคีอยู่นั่นเองสิงไหนไม่เสียดายรู้นะเพื่อจสิงนั้นก็ไม่นักใจเชน่นเราไม่เสียดายอยากลองลุยลุ้นทันเตอมันก็ไม่หนักใจเพราะเห็นว่ามันจะไม่้อีมอมีท่าเดียวมันจะสบายเราไม่เสียดายอยากเอาน้ําลายที่ว่านิ้งแล้วมาคือมาแต่ปากอีก มันก็ไม่ลำบากถ้าสวดาบวันเห็นสิ่งเหล่านี้มือนอย่างนั้นเองเนี่ยฉะนั้นเจ็ ย, ยาบของท่านราคะยับยาบโทสะยับยบโมหะ ย, บยาบยับจึงหายไปไม่ขบคืนเดินตรงไปสู่พระนิพพานไม่แวะซ้ายและขวาและไม่พอยหลังด้วยข้ามพุทธชนคนหนาไปแล้วที่เรียกว่าสุปฏิปันโนนั่นเอง เมือ่อซุกได้ปณโนอยู่ในองค์ือและอุคจุฬายะส า, ามีจิตก็เปิดประตูไปทั้ตัวคือประตูใจประตูสติประตูปัญญาไม่ใช่ประตูอย่างนี้เมืองต้นของพุทธศาสนาสอนในยินดีในคําสอนพระพุทธศาสนาไม่ได้ขมเหงใครยินดีให้พิกันาเห็นชัดว่าคําสอนใดๆในใจโลกธาตุมันอยู่ใต้อานาจคาสอนพระพุทธศาสนาหมดเหตุ นั้นจึงยอมปฏิญาณว่านั่มีสถานงมันยางสัานะอื่นของเราไม่มีพระพุทธพรธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นสถานะของเราจรึงยอมพูดไม่ใช่พูดตามเคยหูขอหัดปากเฉยพูดถึงต่สถานคมชัดแล้วด้วยความไม่ค่มเหงด้วยความเห็นเองชัดเองไม่ได้บังคับไม่ได้เห็นคนอื่นถือก็ถือไปตามเขา เรียกว่าโลกาจิปไตยถ้าไม่ทําท่าทําทางถึงใจสนาคมก็เก่งคนติตเตียนหรือเห็นเขาทาก็ทําไปเพื่อแก้รําคาญในสังคมไม่ได้เห็นอย่างนั้นผู้ที่เห็นชัดตัดความสงสัยว่าคําสอนพระพุทธศาสนานี้เป็นคําสอนที่ทำมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบั ต, มมติให้บริบูรณ์แล้วเมื่อเห็นชัดอย่างนั้นก็ยอมเคารพนับถือนั่นเรียกว่าชูพัจจันโนเรียกว่าได้ดวงตาเห็นธรรม ไ ม, ไ, งงมไม่ใช่ได้อยากล่วงละเมิดสิ้นที่อีกไม่ใช่ไดยอยากจะถืออยู่ยงคงกพันอีกไม่ใช่ได้อยากจะล่วงเอาบายยมุกอีกเมื่อมันเริ่มใส่พระพุทธศาสนาพอมันก็ไม่เช่ได้ที่มันใช้ได้ล่วงละเมิดก็พระมันจะขบวพระพุทธศาสนาอยู่เพราะยังถือว่าพระพุทธศาสนานี่ไม่ทันสมัยเขา ม, ออย า, ามันถืออย่างนั้นเมื่อมันถืออย่างนั้นมันก็เป็น สัจจะทิฏฐิความเห็นเป็นเหตุถีอตัวถือตนในพระพุทธศาสนาะวิจิตรสามันก็แหลงเลนในพระพุทธศานะสนาศีลและปัจจานามาตมันก็รูปพรำที่นี่นั่นสังโยชนสามันก็ไม่ขาดเนะพราะความเริ่มใสของมันไม่พอถ้าความเริ่มใสของมันพอในพระพุทธพระ ธ, ธระธธมารสง์แล้วสังโดยดทั้งทั้งหลายก็ขาดแล้วก็ไม่เสีได้ร่วงละเมิดเสียน่าด้วยเพราะเห็นว่าเป็นทางชี้นผาไม่ใช่ทางเจริญและไม่ใชียด้ยอยากร้องละเมิด อบายมุกด้วยเพราะไม่ถือว่าอบายมุกเป็นทางเจริญไม่ใช่ชางชิพหายเอาไฟจุดบ้านเอาไฟจุดมนุษย์สมบัติแล้วก็จุดวัตถุนิยมและอุดมคติภายในตัวด้วยในที่เรียก ด, ดีด้วยไม่ถือศาสนาอื่นมาพลเรด้วยผีก็ถือไามก็ถือพรหมก็ถือต้นไว้ภูเขาก็าถือ เขาว่าพ um uh, uh, uh, uh ุทโธก็ว่าเขาเขาเขาไปวัดก็ไปเขาเขาเขาไปถือผีก็ไปเขาเขาเขาไปแก่ต้นไม้ฮะเนี่ยก็ไปเขาเขาเขานอนเสี่ยงวุ่นเสี่ยงกรำฝันไปหาเลขก็ฝันไปเขาเขาอะไปหารบกวนพระไปผูกเอาเลขเอาหาอันนั้นไม่ใช่พวกพระสวัดิบันพระสวดันพระสวดาพระสวาสดิ์ขณีเจ็บปวดไหม เจ็บปวดไหมเจ็บปวดไหมอดีใจไห ม, มคนโกงกโกรธคนดีชอบใจถูกไหมฟัง <laughs> เทศออกถ้าชอบใจถ้าไม่ชอบใจก็โกรธนะมีน้ำซ้ำหาว่า นราปูพระรุษวาจาเพิ่อคำหยาบสัมผับป ร, ปรพาปะพูดเพื่อเชือมยังเพิ่มเข้าไปอีกถ้าไม่นึกอย่างนั้นก็เรียกว่าฟังเทศออกเพราด้านนี้สั่นชี่สะเลยฟังนเทศียออกความดีคนดีทำได้ง่ายความดีคนชั่วทำได้ยาก ความชั่วคนชั่วทำในง่ายความดีคนชั่วทำในยากแต่คนดีทำในง่ายตรงเงนข้ามง่ายของใครของมันคนเราใจถึงทุกๆ ท, ท่านพระโสดารวันใจถึงใจถึงทางที่ไม่ปีนเกี่ยวพระพุทธศาสนาใจถึงในทางรักษาศีลหบริสุทธิ์ ไม่ได้รักษาีินห้าพระโสดามันสินห้ารักษาพราะไม่เสียดายร่วงระเมิดจะรักษาทำไม <c oughs> ไม่เสียดายอยากเล่นอบายามุกก็อบายามุก ร, รักษาไม่ได้รักษาอบายามุกไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดด้วยเขาทำผิดก็ไม่จองเวรเคยทำผิดกับเขามแา ต, าต่ชาก่อก็ให้เล่ากันไปสักถ้าเขามาก่อใหม่ก็ให้เล่ากันไปสัก ท่านกนึกไม่ใช่อย่างนั้นถึงจะพูดออกอวดหรือไม่ออกอวดท่านก็นึกอย่างนั้นเพราะเห็นเวนเห็นไทยเป็นของท่องเที่ยวในวัดช้าสงสารเวนไทยอันยับยั้บปลดแล้วคือเวรมัมณีเวรมัมณีปานาทิปาตาเวรมัมณีปานาทิปาตาเป็นข้อห้ามเวรมณีนี่ยเว้นแล้วชี้ขาปทังสมาธิยามิเป็นชิ้ขาปลดหนึ่งหนึ่งอจินนาทานาเวรมัมณีสำคัญกันแว่รมัมณีแปลเว้นแล้วเวนอันยับยับนี่ มุสาวาธาเวีก็เหมือนกันกาเมศวิชาจาราเวีก็เหมือนกันมุสาก็เหมือนกันชุราก็เหมือนกันเวนอันยำหยาบนี่พ้นไปแล้วไม่ i, เคลียดายอยากร่วงละเมิดเลยยังแต่เวนอันละเอียดคือเวนของพระอนาคามิสักขาคามิสัาคามอ่าสักขาคามิก็อย ah ู่ในชั้นเดียวกันกับพระโสดาบันแต่ว่าชอบอยู่ในชั้นเดียวกันแต่ได้ที่หนึ่งของพระโสดาบันพระโสดาบันที่สองพระโสดาบันเอกพิธี ได้ได้ที่หนึ่งพระโสดาบันเอกพิชีได้ที่หนึ่งโกรังโกระได้ที่สองสตักขตุปุระมะได้ที่สามสักคาคามีสอบได้ยิ่งกว่าพระโสดาวันอีกแต่ว่าชั้นเดียวกันส่วนพระอนาคามีสอบได้ไม่มีการมารมเลยไม่ได้นึกถึงการมารังยตกหรือพญาบาท วิตกก็ไม่มีวิหิษสามวิตกก็ไม่มีมันก็สงบมาแต่พระโสดาบันแล้วกามั่ววิตกของพระโสดาวันมีอยู่มิตกแต่กับภรรยาและสามีของตนไม่ได้ว่าหวังว่าจะล่วงละเมิดผู้อื่นไม่ได้รักษายาไม่ได้รังว่าจะล่วงละเมิดสามีเขาภรรยาเขามีกามั่ววิตกอยู่แต่ว่าเป็นกามั่ววิตกที่ไม่ได้ไปนรก พยาบาทยึดตกไม่มีมีสามยึดตกก็ไม่มีเราป้องไปแล้วถึงมีก็คว้าทันส่วนพระนาคามีไม่มีแค่แล้วการมามีตกไม่มีพยาบาทไม่ตกไม่มีถึงจะนึกนึกถึงการมาม่ตกก็นึกเฉยๆไม่มีความกำลัดสัมยึยระดุ่ด้วยถึงจะนึกถึงพยาบาทไม่ตกก็าตามแต่ก็ไม่มีความพยาบาทด้วยนึกเป็นธรรมดาเฉยๆ ทมคำสอนของพุทธศาสนาใครเอาไม้ใช่้เวลาไหนก็ไม่บูดก็ไม่ลาดสมัยทันสมัยอยู่